แต่ธรรมะของการปฏิบัติเนี่ยให้เราปฏิบัติไปเลยลงมือปฏิบัติไปในขณะนี้เลยแล้วก็ฟังเล่นๆไปไม่ต้องฟังเอาเนื้อหาสาระอะไรหรอกพอหลวงพ่อพูดอะไรซึ่งหาสาระยากส่วนมากหลวงพ่อพูดกี่ทกี่ ท, ทก็เรื่องเดิมนะเรื่องเจริญสติไม่มีเรื่องอื่นหรอกหลวงพ่อก็ยังแปลกใจว่าทําไมพวกเราทนมากเลืทนฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกน แท้จริงเรื่องเจริญสติน่ะสำคัญมากถ้าชาวพุทธเราไม่รู้จักการเจริญสตนะิก็เรียกว่าไม่รู้จักาศาสนาพุทธจริงๆแล้แค่ทาทานรักษาศีลทาสมาธิอะไรนี่าศาสนาอื่นเขาก็มีส่วนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนะการมีสติรู้กายรู้ใจนะ่ไม่มีในาศาสนาอื่นพวกเราไม่ค่อยเรียนเรื่องนี้น่าเสียดาย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 จิตมีหน้าที่คิดยังไงจิตก็ต้องคิดจิตของพระอราหันต์ก็คิดไม่ใช่ไม่คิดนละ้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ตัวเองผิดธรรมดาแต่เราจะเรียนรู้กายรู้ใจนะมีสติตฐานมีสติรู้กายมีสติรู้ใจจนเห็นความจริงของกายของใจความจริงของร่างกายเป็นเป็นวัตถุนะร่างกายเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแต่เราต้องมีสติขึ้นมาใจเราตั้งมั่นเราก็จะเห็นเลยไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง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 แม่ชีน้อยก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าวันหนึ่งหลวงปู่เทศมาเยี่ยมท่านอยู่วัดเดียวกันนะเป็นผู้เท่าสองคนในวัดหลวงปู่เทศได้มาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยโยมมาอารัธนาท่านให้มีอายุร้อยปีท่านบอกว่าโอ้ยไม่เคยเท่ายังไม่เคยแก่สีถึงมาพูดอย่างนั้นคนแก่นะอยู่เฉยๆก็ก็ไม่สบายเคล็ดขัดย่อปวดเมื่อยเหนื่อยเนีกายมันทุกข์ ตอนนี้ความยังหนุ่มยังสาวมันหลอกลวงมันบังไว้ถึงจุดหนึ่งนะมันจะเห็นนะมันชำรุดสุดโสมลงไปนะพอขึ้นเลขสี่นี่ก็เริ่มสมนะเลขหนะ้าสมจริงๆแข็งแรงที่สุดจนะไม่เกิน35เกิ 3, 5, น35ะน่ก็เริ่มชำรุดสุดโสมเป็นลำดับลาดับไปเนี่ยถ้าเรามามีสตินะมีวิธีปฏิบัติคนหนุ่มคนสาวคิดดูซิว่าเราไม่ค่อยทุกข์จริงไหมจริงลองนั่งนะลองนั่งนิ่งๆนั่ ง, น, งนานๆ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 จะหายใจเข้านะทุกหรือไม่ทุกเดี๋ยวก็รู้เองพอเราหายใจออกไปมากๆใช่ไ้มทนไม่ได้แล้วทุกต้องหายใจเข้าราหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกนะหายใจเข้ามากๆทุกอีกแล้วก็ต้องหายใจออกแก้ทุกอีกกลั้นลมหายใจไว้นานๆก็ทุกอีกเนี่ยมีความทุกบีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีความทุกบีบคั้นอยู่ทุกทุกอิริยาบถคนไหนทําสติฐานด้วยการรู้ลมหายใจอานาปนสติแล้วก็จ้างดูกายนี่มันหายใจไปนะ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 เะสติปัฏฐานถ้าจะให้เป็นวิปัสสนาก็ต้องเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นะลำพังเห็นกายเห็นใจเฉยๆเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสสนามีสติรู้กายมีสติรู้ใจยังไม่ใช่วิปัสสนานะจะต้องเห็นกายเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตใจเป็นไตรลักษณ์ด้วยถึงจะเป็นวิปัสสนาจริงๆเพราะว่าวิปัสสนาคือการเห็นอย่างวิเศษเลยเห็นความจริงอย่างวิเศษเลยว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เรา พอเห็นซ้ำๆๆนะถึงจุดหนจะได้พระโสดาบันเพราะพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราดังนั้นเราหัดเรียนเรื่องสติปัฏฐานให้ดีนะเราต้องมีสติรู้กายมีสติรู้ใจสติเกิดจากอะไรเนี่ยก็ต้องเรียนหลวงพ่อมีหนังสือให้อ่านนะมีซีดีให้ฟังอะไรเนี่ยไปฟังเอาเองก็แล้วกันนะไปฟังไปอ่านเอาจะฟังเรื่องอะไรเนาะ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 เพราถ้าเราสามารถเห็นกายเห็นใจเป็นไตรักษ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เนี่ยก็คือเราเห็นความจริงของกายของใจล้ผู้ใดเห็นความจริงนะัก็จะเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเรเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนับเราคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นพราหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วปรมอาจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจ